พระบัญญัติ870ก็ภิกษุณีใดเพราะเข้าใจผิดเพราะไครควรผิดให้ผู้อื่นวทนาต้องบัดหมาชิตีเรื่องภิกษุณีอันเตวสัสนีของพระพัทธกาปิลานี